พระธรรมเทศนาแผ่นที่67ดลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดอรธานีแสดงธรรมในวันที่6ธันวาคม2557มีชื่อเรื่องว่าทดสอบความโกรธพูดนะลกูกหลานเนย กันพู้อะไรจะไปหาเพื่อนในโรงพยาบาลศูนย์คอนแก่นนั่นะีอนะใหญ่ไปจากน้องบวัวลำพูน่ยตะกรก็เป็นรองผอ อ, ออยู่ศูนย์อุดรของเราแล้วก็ย้ายเป็นผ อ, อ, อ น, อ ง, นองบวัวลำพูแล้วก็กระโดดขึ้นไปเป็นผอโออรองพยาบาลศูนย์คอนแก่นเนีเออ่ยเป็นทางเลือกหนึ่งเชื่อกันน่ะ ขั้นเขาไปโร่งพยาบาลอุศูนอุดรแล้วปอได้ไปสีนักการีนเขาบ่อได้เนี่ยมั่นต้องเขาไปเนี่ยแะโรงพยาบาลศูนย์คอนแก่นเนี่ยพนันมือดีลงพอจะได้มอบเครื่องมือแผลหนึ่งเพิ่นเครื่องหนึ่งแล้ลูกหลานนะลงพอจะได้มอบเครื่องมือตัวหนึ่งนะเหมือ น, นี่นะล่าค่าทั้งพน่ะตั้งล้านเจ็ดพนักมือ น, นีนะพวกสุ่เจ้าต้องหาหาเงินมาสอยลงพอนะ โอ้ลืมลงพยาบาลน้องบัวลําพูไอ้นองบัวลำพูเราให้เครื่องกระตุ้นหัวใจห้าแ 0,000 แล้วก็เครื่องทำความสะอาดเครื่องมืออีก2องแสน้าโอ้ลืมพูดไปเนี่ยนี่แหละเห็นมั้ยแต่หลวงพ่อวอลเรื่องครือแพทย์ขมาเนอะหลวงพ่อบริสันจังหันแต่แทร่มือเนี่ย ว, วันนี้เป็นวันเมื่อวานเนเป็นวันเสริมพระชนพรรษา วันที่ห้าทันวาห้าเจวันนี้เป็นวันที่หกทันวาห้าเจ็ดเป็นวันพระขึ้นส5บห้าค่ำเดือนหนึ่งเพราะนั้นวันนี้เป็นวันพระใหญ่หลวงพ่อให้ทายกเป็นผู้นํากล่าวคำสมาทานศีลศีลห้า น, นะวันนี้นะรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ กี่วันแนละ้วพวกเราไม่ได้รักษาศีลมาเนี่ยนานนะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ควรจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์24ชั่วโมงนะหลวงพ่อว่านะเอาไหว้พระสมทานศีลวันนี้ออกอากาศสถานีวิทยุเสียงธรรมของพวกเราหนะ่าวันนี้พวกเราจะทดลองออกสถานีวิทยุมวานี้ก็ออก แต่เมื่อเช้านี่ก็จะออกสถานีวิทยุ 107.25 เมกะเฮิรตจากวัดป่านาคำน้อยของพวกเราเริ่มทำสาธารพิธีเป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือนหนึ่งเพราะนั้นให้พวกเราวันนี้พวกเราจะออกนานทีนะพวกเราจะได้ออกวิทยุเพราะว่าถ้าเราไม่ออกจะเลย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 รักษาศีลทาดีเพื่อพ่อวันพ่อแห่งชาติแล้วก็ได้ฟังสัมโมทนิยาคถาของหลวงพ่อเกี่ยวปรารภเกี่ยวกับงานวันพ่อหรือวันวันพ่อแห่งชาติแต่เมื่อคืนตอนเย็นพวกเราก็ได้ทำกิจกรรมไหว้พระแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์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 พระเจ้าพิมพิสารบอกศา ส, า น, สานาอื่นเขายังมีวันวันหนึ่งเป็นวันรวมกันที่มาประชุมกันแต่พระพุทธศาสานาเนี่ยยังไม่มีเพราะนั้นขอเป็นวัน8ค่าสิบห้าค่ำจะได้ไหมจะได้หรือเปล่าเนอพระพุทธเจ้าข่าน่ยลักษณะอย่างนั้นแหละคือพระเจ้าพิมพิาสารท่านเข้าไปกราบทูลขอจากพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็อนุมัติตามเพราะฉะนั้นจึงมีวันพระ8ปดคำสิบ้าคำมาในครั้งพุทธกาลนู่นนะจนมาถึงปัจจุบันเพราะนั้นพวกเราพุทธศาสนิกชนทุกท่าน8ปดคำสิบหําคำควรจะสำนึกไว้ในใจว่าข้าเป็นพุทธศาสนิกชนควรจะทำคุณงามความดีอันไหนบ้าง ถ้ารักษาสินข้อไหนได้ได้เราก็ควรจะรักษาสิลข้อนั้นก่อนก็ได้ห้าข้อ่ะเอาเถอะข้าวไปเจ้าจะงดเว้ น, นไม่ฆ่าสัตว์ในวันนี้อถึงจะเห็นจุงเห็นหมดเห็นอะไรก็ตามข้าวไปเจ้าจะงดเออข้าวไปเจ้ารักษาสินข้อหนึ่งฮะอต่อไปก็มีหนึ่งก็มีสองมีสามมีสี่มีห้าจากนั้นก็บริบูรณ์เพราะนั้น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 ถ้าเราไปตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าแล้วนะ่คือบัณฑิตนักปราชญ์นะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะให้เดินตามแนวแถวของบัณฑิตนักปราชญ์คือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละเลิศประเสริฐนะถ้าตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานําสมาทานสินนะโมตัสสะระกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สีเลนาในภูติงยันติตัสมาสีลังวิโสธาเยสาธ <c oughs> ุในช่วงนี้หลวงพ่ออนุมัติให้ในช่างในช่างรถไฟคณะ บ, บ, บริษัทเสาหลักจากกรุงเทพมาต่อปีกศาลาข้างในของเรา ออกทั้งสี่ทิศสีด้านก็คงจะใช้เวลานา น, านพอสมควรแต่ก็ทางบริษัทเขาบอกว่าจะไม่ให้ใช้เวลานา น, านจะพยายามรีบเร่งทีบเร่งทำให้เสร็จทำทางสังหลังคาศาลาแต่เมื่อเสร็จแล้วก็คงจะมีการปูพื้นออกไปขยับออกไปอีกแล้วก็คงจะปรับปรุงข้างล่างศาลาข้างในให้กว้างขวางขึ้น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 หลวงพ่อหลวงพ่อมองไปแล้วไม่มีจะน้อยหนุ่มไปข้างหน้าบนนั้นหลวงพ่อจงเอื้ออนุมัติให้สร้างให้ทําต่อปีกศาลาข้างในแต่เมื่อใช้เมื่อกําลังก่อสร้างอยู่ข้างในพวกเราก็คงจะมาฉันศาลาข้างนอกวันนี้แหละเพราะวันพรุ่งนี้นะตามที่ในช่างเขาแนะ บ, บอกมาบอกว่าวันที่หก ว, วันที่6กก็คือวันนี้แหละ ก็จะมาเริ่มทํางานแล้วล่ะเพราะฉนั้นถาว่าเขามาตามที่กําหนดพวกเรากคงจะได้ออกมาฉันข้างนอกนอะออกมาฉันที่นี่ล่ะนี่แหละทําไมหลวงพ่อจึงอนุมัติอนุญาตให้เขาทําศาลาดูๆแล้วก็ยังใหม่อยู่ทําไมนี่แหละพอหลวงพ่อมองดูแล้วหลวงพ่อขึ้นศาลาไม่ไหวนะลูกหลานเพราะนั้นหลวงพ่อจะจึงได อ, อกมาชั้นข้างล่างแต่เขากงคิดหลายแง่มุมเหมือนกันบอกว่าน่าจะทําลิบดีไหมหลวงพ่อขึ้นไปง่ายๆแต่หลวงพ่ อ, อมันหลายแนวแล้วเกินกว่าจะเอารถ เ, เข็นเข้าไปในลิบอีกพอหลวงพ่อเดินเดินเข้าไปยังไงอีกเหมือนกันน่ะมันหลายเรื่องหลายแถวลูกหลานได้ป่ะพอหลวงหลวงพ่อเห็นคนอื่นเห็นหลวงตาหลวงตะกรหลวงตามหาบัวท่านเข้มแข็งยิ่งกว่าอะไรใช่ไหม ใครจะมาใกล้นะท่านจะฟุดฟิดท่านจะดุทันทีแต่พอต่อมาแเหล่าน่านถึงจะเข้มแข็งขนาดไหนของมดสภาพหลวงพ่อก็คงจะไม่ไม่แพ้ท่านคงจะเดินตามหลังท่านไปเพนะราะนั้นหลวงพ่อที่เห็นว่าอันไหนที่จะทําให้ลูกหลานอึดดัดะหลวงพ่อเลยคิดคิดล่วงหน้าไว้ก่อนอแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เป็นไรยังขึ้นได้อยู่แต่คิดว่าอีกไม่นานฮะ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 ถ้าหลวงพ่ออยู่องค์เดียวคณะสัทยาญาติโจมมาหลวงพ่ออยู่องค์เดียวถวายเพียงแค่นี้ก็พอละล่ะนะแต่ในหลวงพ่ออยู่มีพระตั้งหลายองค์ปีวันนี้ก็มีทั้ง20สแต่ อ, องพ์ที่ไปเที่ยวอยู่ก็มียังไม่กลับมา20กว่าองค์เกือบ30องค์ในพรรษาก็4 0่0ห้าองค์ ที่มาอยู่กับหลวงพอ่อเพราะนั้นศรัทธาญาติโยมถวายจะตุปปัจจัยเขาก็ต้องเผื่ อ, องค์นั้นเผื่ อ, องค์นีเ้เพื่อข่าน้าข่าไฟข่าอะไรตัอมิอะไรพาอาหงอาหารข่าปัจจัยสี่ข่า เ, เจ็บไข้ได้ป่วยของพระสงฆ์สามเณรที่อยู่ในวัดนี้เ้าก็เผื่อหลายองค์เพื่อเผื่อหลายองค์จะตุปปัจจัยก็มากกว่ามากกว่าที่ ที่ตั้งใจที่หลวงพ่อองค์เดียวนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อได้จตุปัจจัยมาจะว่าลบเป็นปัจจัยของหลวงพ่อทีเดียวก็ไม่ใช่เท่เนี่แหมมันก็ต้องเป็นของพระของเนนของศรัทธาญาติโยมด้วยเพราะฉะนั้นมีคนถวายต่างกลัมต่างวาระที่ได้จตุปัจจัยมาหลวงพ่อก็เก็บรวบรวมออวเอาไว้เสร็จแล้วหลวงพ่อก็ได้ช่วยสาธารณประโยชน์ช่วยวัดบ้างช่วยโรงเรียนบ้าง ช่วยวัดก็เนี่ยปีนี้ก็ยังคิดอยู่แต่ละปีหลวงพ่อก็ช่วยวัดทำถนนบ้างทำศาลาบ้างทำที่พักพาอาศัยของพระสงบัางสิ่งนี้นที่เกิดประโยชน์ต่อวัดวาสศาสนาก็พร้อมการหลวงพ่อก็ให้โรงเรียนเรียกว่าสาธารณประโยชน์ที่เข้ามาขอหลวงพ่อก็ได้แบ่งสรรปันส่วนให้อันนี้คือจิตปัจจัยของวัด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 ได้ช่วยโรงพยาบาลตึกหนีไฟโรงพยาบาลศูนย์อุดรน่ยแต่งบไว้ประมาณประมาณสองล้านนะแต่หลวงพ่อจ่ายไปแล้วล้านเจ็ดนะสถาญาติโยมลูกหลานและก็พร้อมกันแต่มีผู้ถวายหลวงพ่ออีกหลวงพ่อก็ไม่ได้มองข้ามถวายเจตุปัจจัยทั้ ง, ท, งทั้งทหารอากาศหลวงพ่อก็ซื้อรถแอมบูลานให้กับโรงพยาบาลศูนย์อุดร อ, อีกคันหนึ่งล้านเ้านะ และก็เมื่อไม่นานมาใน้โรงพยาบาลศรีนครินเข้ามาขอเครื่องผ่าตัดด้วยความถี่สูงเหมือนกับวันนี้แหละลงพ่อก็จ่ายไปล้านเจ็ดจ่ายไปแล้วนะแต่เมื่อไม่นานหลังไม้อีกนะวันที่สามธันวาหนะ้าเจ็ดเนี่ยโรงพยาบาลชุมแพจังหวัดขอนแก่นขอเครื่องมือแพทยนะ์บริษัทอะไรจอนสันแอนจอนสันไทยแลนด์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 โรงพยาบาลชุมแพและโรงพยาบาลศรีนครินไอ้โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นศูนย์ขอนแก่นชุมแพต้องจะได้จ่ายจะตุปัจจัยพร้อมกันชุมแพเนี่ยล้านหนะล้านหแสนทุนนะแต่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเนี่ยล้านเจ็ล้านเจ็ดแสนเพราะฉะนั้นนี่แหละเรื่จะตุปปัจจัยที่หลวงพ่อได้นะได้มา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 ที่รับจดตุปัจจัยเข้าไปฝากฝากแล้วนกน็มีก้อนขึ้นมาหรอเออพอที่จะช่วยเหลือชุมชนสังคมอะไรได้บ้างหลวงพ่อก็ได้มอบเมื่อมีอะไรกับเนี่ยบอกกับออนายธนาคารให้จัดการออตามที่มีความจำเป็นในเรื่องนั้นแต่หลวงพ่อมาคิดมาพิจารณาดูหลวงพ่ออาจจะเป็นคิดสุดตงส่วนหนึ่งก็ได้นะ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 ฐานก้นพระที่พระนั่งอีต่างหากพระพุทธรูปนั่งนะเ อ, อปิดปิดฐานก้นพระไม่ใช่ปิดทองหลังพระนะถ้าทองหลังพระเพอเพอวันหนึ่งคงจะไปเห็นนะอ อ, อันนี้คงจะเป็นปิดทองที่ลึกลับถ้าว่าเราทําประโยชน์ตั้งโรงเรียนอย่างนี้หรือว่า อ, อตึกนี้ไฟอย่างนี้หรืออะไรก็ตามก็จะต้องปิดประกาศหรือว่าแอมบอร์เรอย่างนี้หลวงพ่อก็ ได้ติดประกาศด้วยนี่หลวงพ่อหรือว่าใครมีชื่อในติดในนั้นโรงพยาบาลหรือโรงเยียนก็มีชื่อตระกูลหรือนามสกุลหรือหมู่คณะที่ร่วมกันสร้างแต่เครื่องมือแพทย์เนี่ยโดยมากซื้อเสร็จแล้วเนี่ยถ้าหลวงพ่อพูดวันนี้แล้วก็จบในวันนี้ท่านเองก็ไม่มีใครพูดอีกต่อไป แล้วก็พร้อมกันถึงจะติดชื่อไว้ในเครื่องมือแพทย์ก็เถอะในคนที่จะเข้าไปผ่าตัดนั่นก็สลบสลายพอแรงแล้วเข้าไปในห้องผ่าตัดพนะี อ, อ น, นี้ห้องผ่าตัดเสร็จแล้วแพทย์หมอจะไปบรรยายให้ฟังคนควยฟังก็ไม่ใช่เรื่องที่จะไปพูดให้ฟังเพราะเครื่องมือแพทย์ตอนนี้เป็นของหลวงพ่ออนซื้อให้นะก็คงจะไม่ใช่อย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะนั้นเครื่องมือแพทย์ทั้งหลายทั้งปวง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 หามเมล็กในระยะแรกเนี่ยทุกวันนี้กันเนี่ยยังใช้อยู่จะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนตะก่อนหน้า น, นี้ไม่มีถามว่าไม่มีในโรงพยาบาลศูนย์ก้อนแก่นไอศุนศูนย์อุดอรโรงพยาบาลศูนย์อุดอรไม่มีถ้าใครจะไปผ่ า, าจะไปสองกล้องเรียว่าปวดท้องเนี่ยก็นู่นไปบโรงราษฎร์ไปทางโรงพยาบาลกรุงเทพนะที่ ราคาไปสองครั้งหนึ่งก็ประมาณหกหมื่นใชนี่แหละอันนี้หลวงพ่อเห็นแล้วก็อน่าจะทํามำนน่าจะเกิดประโยชน์นะแต่หลวงพ่อก็ได้ซื้อให้สองสามปีให้หลังแล้วละ่ะอันนี้มาพูดเอาความเก่ามาพูดนะเอ่อแต่เราถึงยังไงก็ตามเครื่องมือแพทย์เนี่ยเกิดประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองต่อพี่น้องประชาชนอย่างมากๆทีเดียวเพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงไม่มองข้ามเรื่องเครื่องมือแพทย์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 ที่หลวงพ่อได้ประกาศหรือบอกกล่าวให้คณะสัตยาญาติโยมได้ทราบหรือว่าพวกกลุ่มของเราทราบแต่ขมขมอื่นได้ยินขึ้นมาแล้วก็ขวางหูก็ปิดหูไว้ก็แล้วกันนะแต่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นพูดให้พวกเราที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อรับรู้รับทราบจะว่าเคลียร์ตัวเองก็ว่าได้จะตุปัจจัยที่ได้มานะหลวงพ่อไม่ได้เก็บได้กอบได้กรำได้งําเอาไว้นะลูกหลานนะช่วยเครื่องมือแพทย์ช่วยสาธารณประโยชน์นะ นี่แหละหลวงพ่อก็ได้บอกได้กล่าวให้กับพวกเราคณะสัทายญาติโยมสิทธิานุสิ์ทั้งหลายได้ทราบแต่พูดอีกอย่างหนึ่งถ้าคนถ้าคนไม่ไม่ชอบฟังหรือว่าคนนะเขาบอกโอ้หลวงพ่ออิ น, นขี้อวดอพอทำไปแล้วก็ดิดหน่อยก็อวดหน้าอวดหลังทั้งบ้านทั้งเมืองอตาไม่จริงไม่ใช่นะพูดให้ฟังตรงตรง พูดให้ฟังด้วยความจริงให้ฟังฮะจริงไหมที่หลวงพ่อได้บริจาคมันจริงนะมันจริงจึงพูดให้ฟังถ้าไม่จริงจะไม่พูดสิ่งไหนที่ไม่จริงจะไม่พูดพูดให้ฟังเอาความจริงมาพูดให้ฟังใครจะรับความจริงแ้วไม่รับความจริงอันนั้นสุดแท้แต่แต่หลวงพ่อก็บอกว่าน่ะการให้เครื่องมือแพทย์ปิดท้องฐานผ้าเน่ะหลวงพ่อก็พูดอย่างนั้นแต่หลวงพ่อเดียพอใจ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 หลวงพ่อไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นนะนะการทำสาคุนประโยชน์ให้กับพี่น้องชาติบ้านเมืองนะั้นขอให้พวกเราทุ ก, ท, กท่านนะการอยู่ในสถานที่ใดอยูนะ่อยู่ในกลุ่มใดขอให้ช่วยกันคิดเพื่อพัฒนาประเทศชาติพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยนะนะขอให้ช่วยช่วยเหลือกันนะพอที่จะช่วยเหลือได้ ไม่หนักหนาถ่านหนักหนาก็อย่าทำถ้ามันหนักถ้าพอที่จะทำได้ก็ช่วยช่วยกันเมื่อช่วยกันแล้วก็ น, นั่นแหะความสงบร่อเย็นเป็นสุข ก, ก็จะเกิดขึ้นในชุมชนกลุ่มของพวกเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ต้องมีความอดทนนะเป็นหลักขนาดพระพุทธเจ้าภาษาพวกทางหลายในครังพุทธการ การที่จะประกาศพระศาสนาการที่จะประกาศพระธรรมคําสอนออกมาเนี่ยท่านก็ใช้ความอดทนไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะหลวงพ่อได้อ่านได้ศึกษาในพระไตรปิฎกอ่าอย่างภาษาริบุตรเน่ยอัครสาวกของพระพุทธเจ้ามือขวาของพระพุทธเจ้าเน่ยคนทั้งหลายก็บ่าโอ้ภาษาลิบุตรเนท่านใครไปยุให้ท่านโกรธนท่านไม่โกรธใครง่ายๆท่านไม่โกรธใคร ท่านใจหนักแน่นจริงๆท่านไม่โกรธให้กับใครถ้าใครยุให้พระสาริบุตรโกรธได้แล้วโหวคนนั้นเนี่ยเก่งมากกันใครๆบอกเขาก็ท่ากันเขาคุ่พูดกันซุบซิบกันในบรรดาศิษย์บรรดาศิษย์ทั้งหลายตอนนี้พราหมณ์คนหนึ่งได้ยินเนี่ยเป็นมิจฉาทิธฐิในใจจริงหรือคนไม่โกรธมันข้ายังไม่เคยเห็นวะนี่นี่นะมันมีเนะย คนที่บ้าบ้าบองบองมันมีทีนี้ก็ภาษาไรบุตรก็ไปบินทบาดทสเลยพอไปบินทบาด์สนี่ก็พามคนนี้ก็เดินเดินไปก็ย่องย่องไปก็ชี้ไม้ภายตีหลังภาษาไรบุตรเลยว่างั้นอะเออตีอย่างแรงองตอนนี้ภาษาไรบุตรก็คงจะขมัไปมั้งท่านก็มองดยท่านก็เหลือบตาโดยท่านก็เฉยท่านก็ไม่ว่าอะไรอีกท่านก็ไม่โกรธ เออทีนี้ก็พราหมณ์คนนั้นเนะ่ะผลที่ตีขึ้นมาโอ้โหท่านมันท่านไม่โกรธจริงจริงเตะเนี่ยมันก็ไฟมันก็เผาหัวใจตัวเองแต่เนี่ยความความเร่าร้อนเผาหัวใจตัวเองเออกระโดดก็ไปกราบเท้าของพระสารีบุตรโอ้ยอย่าให้ข้าพระองค์ได้เป็นบาปเป็นกรรมโดยเธอข้าพรเจ้าทดลองดูว่าได้ยินมาเขาว่าพระคุณเจ้าเนี่ยไม่โกรธให้กับใครฮะ ก็เลยทดลองดูนะเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ยอมรับแล้วว่าพราะพุทธพรา ะ, ะคุณท่านเนี่ยไม่โกรธจริงจริงข้าพรเจ้าขอโทษขออภัยอย่างมากขอนมโนพระคุณเจ้าไปรับบิณฑบาตกับผมบ้านผมเดี๋ยวนี้โดยเถิดพระสารีบุตรท่านก็เออเอาได้าาท่านก็เดินตามพราหมณ์แล้วก็ น, นําไปก็ได้รับบาปพระสาริบุตรแต่คนข้างนอกนี่ยเห็นว่าพรามณ์คนนี้เนี่ยเอาไม้ ชี้ไม่ไผ่ตีหลังภาษาเรบูทเท่านั้นแหละโอ้โหเหมือนอะไรตันี้พระคุณเจ้าไม่ได้ทําอะไรทําไมพรามคนนี้จึงอย่าโปรนถึงขนาดเดเอาเถอะเมื่อภาษาเรบูทผ่านไปแล้วนะเราจะเอาค้อนทุบหัวมันเลยนะไอ้พวกที่พวกที่มองเห็นนะี่ยนะให้ใคล้ายกับว่ากัดเขี้ยวกัดฟันเตรียมพร้อมเลยว่างั้นเถอะถ้าภาษาเรบูทผ่านไปเมื่อไหร่กัดลมเข้าไปเลยแล้วว่ากันเถะ อแต่ถ้าจะไปตีต่อหน้าท่านภาษาลิบุตรเนี่ยก็ก็ไม่กล้าที่จะทํานะแต่นี้ภาษาลิบุตรท่านก็ไปรับอาหารพอรับอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้พวกนี่ก็ยืนเก๊ะก๊กลงๆอยู่แถบนั้นเหมือนกันภาษาลิบุตรก็ถามเออพวกพวกพวกเธอทําอะไรเนี่ยจะทําอะไรเนี่ยเอยบอกว่าเนี่ยเอพราหมณ์คนนี้เนะี่ยทํ <c oughs> าไม่ถูกเนี่ยทําได้ยังไง ท่านไม่ได้ทําผิดอะไรเอามาไม้อามาชี้ไม่ภผยตีหลังท่านเนี่ยมันทําได้ยังไงนี่แหละอพวกผมจะสอนเอ <Hey. S 1> จะสอนพราหมณ์คนนี้หลือจะค้อนทุบหัวเนี่ยพระสารีบุตรโอ้ยาอา่มันพราหมณ์คนนี้ไปไปทุบตีพวกท่านใช่ไหมไม่ครับทุบตีท่านอะทุบตีท่านพระสาริบุตรนั่นแหละเอยอันนี้มันเรื่องของเร า, เ, าขเขาขอขมาเราแล้ว เรากอาลูกกระโทษให้เขาแล้วเราเขาก็ยอมผิดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกมกันแล้วจบแล้วพวกท่านทั้งหลายโยมทั้งหลายอย่ามากเกี่ยวข้องไปไปไปออกไปมันเรื่องของเราน่น้นนพวกนั้นก็เลยเพ่นแนบเพราะว่าได้เชื่อฟังภาษาลิบุตรใช่ไหมเชื่อฟังพระอาจารย์ของตัวเองพามคนนี้ก็เลยตลอดปลอดภัยกับที่พัก เนี่ยแหละจากนั้นเขาก็เคารพรับถือเลื่อมใสตลอดเลยโอ้โหน้าใจหนักแน่นจริงจริงพระอ克拉สาวกเนี่ยนี่แหละจากนั้นก็พระสารีบุตรก็มาถึงวัดป่าเชตะวันมหาวิหารพระสงฆ์ทั้งหลายก็มาพูดกันอีกนะพวกพระพระตุตชนทั้งหลายพระสารีบุตรทำได้อย่างไร mm hmm. เมื่อตัวเองถูกตีอย่างงั้นแล้วมันน่าจะให้พวกโยมทั้งหลายจัดการ กับพามคนนั้นบ้างสอนสอนมันบ้างอันนี้ปล่อยไม่ลงโทษมันเลยต่อไปนี่พวกเราไปวินธทบาร ท, ที่ไหนใครจะตีหลังก็ตีใครจะต่อยก็ต่อยอ ม, มันน่าไม่ไม่น่าจะถูกนะพาสงฆ์ทั้งหลายในครั้งก่อนนักเลงก็มีอีกเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าทราบเรียกประชมุมสงฆอพวกเธ อ, เธอทั้งหลายพูดเรื่องอะไรนะ พระสงฆ์ทั้งหลายกราบทูลเรื่องราวภาษาริบดุกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าเออถ้าเป็นปาฏิแล้ว อ, อถ้าเป็นบัณฑิตแล้วถ้าเป็นพราหมณ์แล้วนะจ๊นถ้าเป็นพราหมณ์พราหมณ์จะไม่ทํารายพราหมณออ์บัณฑิตจะไม่ทํารายบัณฑิตปาฏิจะไม่ทํารายปาฏิปาฏิทั้งหลายจะไม่ทํารายปาฏิถ้ามีแต่ภาระชนเท่านั้นแหะที่จะทํารายกันอิจฉากันพยาบาทอาฆาตจองเวรกัน คือภาละชนถ้าบัณฑิตนักปราชญ์แล้วจะไม่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนี้เขาเป็นบัณฑิตอคนที่เป็นบัณฑิตเขาจะไม่เบียดเบียนกันถ้าภาละชนแล้วเขาจะเบียดเบียนเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายไม่ต้องวิตกอภาละชนแล้วมันทําได้แต่บินบัณฑิตนักปราชญ์แล้วจะทําไม่ได้แต่เพียงแต่คิดอิจฉาเท่านั้นก็นยังไม่ถูกต้องแล้วผิดแล้ว มีความมีหิลิมีความละอายต่อบาปอยู่แล้วอันนี้คือบัณฑิตนักปราชญ์แต่พาละชนนั้นเขาคิดได้ทุกอย่างอันนั้นช่วยไม่ได้จะทำยังไงนี่แหละอันนี้ก็คือท่านยกประเด็นภาษาริบุดุอัครสาวกของพระพุทธเจ้าถ้าเรามาพิจารณาดูแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่นะที่ผ่านผ่านมาจนถึงปัจจุบันที่เราที่หลวงพ่ออายุ ถึงเจปีขนาดนี้พอรู้เดียงสาภาวะก็ได้ทบทวนเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในต่างยุคต่างสมัยสรุปแล้วโอ้โหขนาดพระพุทธใน พ, พุทธาศาสนาของเราก่อนที่จะประกาศพระศาสนาออกมาเผยแผ่ให้พวกเราได้ฟังเคารพนับถือเลื่อมใสขนาดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องน้นยอ ย, ย่อยเหมือนกันเห็นไมที่ถึงกับพระพระอ ร, ร, ระสาวกเนี่ย โดนโดนไม้ชีไม้ไผ่เขาอีกต่างหากนีแต่นี่เพียงเรื่องเดียวเท่านั้นนะยังมีอีกหลายเรื่องนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเรื่องทิฏฐิเรื่องเรื่องความเห็นนี่ก็ไม่ใช่ย่อยอีกเหมือนกันในเรื่องหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีเนะี่ยข่าวนั้นก็ภิกษุนะีผู้หญิงก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะภิกษุณีทั้งหลายไม่หลงอุโบสถ ไม่ร่วมสังฆกรรมกับนางโคตมีโคตมีคือพระแม่เลี้ยงพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าประสูตยได้เจ็ดวันนางสิทธิมหามายาประสูนยได้ประสูนยได้เจ็ดวันนางสิทิมหามายาก็สวรรค์นครบแม่ของพระพุทธเจ้า พ, พูด ง, ง่ายง่ายแต่นี้ก็น้องสาวแม่ก็มาเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าจุโถธนะ แต่น่ก็เลี้ยงดูพระพุทธเจ้าอย่างธนุถนอมต่อมาพระพุทธเจ้าออกทรงทรงผนวดได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นานางโคจะมีพระแม่เลี้ยงเนี่ก็เออเขาลบนับสื้อยิ่งกว่าลูกตัวเองอีก เ, ออเมื่อพระพุทธเจ้าบวชเข้ามาแล้วเนี่ย น, นางภิกษุณีเนี่ยภิกเห็นแต่ภิกษุบวชเนี่ย น, นางภิกษุณีนาง โคตมีเนี่ยก็อยากบวชยอยากบวชเป็นพระเหมือนกับภิกษุมีไหมพระองค์บมีอยู่ในครั้งก่อนแต่ว่าถ้าบวชเข้ามาแล้วจะทำให้ศาสนาของเราบัทฑรลงท่านก็ตัดอย่างนั้นแต่ที่นางโคจนีนีไม่ลดละความพยายามผลในสุดก็ขอบวชเดินไปถึงกลุ่งราชสัคื์ไปขอบวชพระองค์ก็อนุญาตให้บวช บวช ด, ด้วยเอา้าโคตมีถ้าเธอรับครุฑธรรมแปดประการได้เธอบวชเลยครุฑธรรมแประการก็เหมือนกับอาบัติหนักของพระนางโคตมีสาธุเมื่อพระองค์อนุญาตรับได้หมดทุกอย่างเหมือนกับรับเพชรนินจินดามาใส่บนศรีรษะของข้าพระเจ้านางพฤกษดีนางโคตมีก็เลยบวช เป็นภิกษุณีเป็นท่านคนแรกนะพอบวชเสร็จแล้วนะ่นั่นก็ไม่ไม่นานท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นพออ ร, รนะ พ, พี่แม่เลี้ยงของพระพุทธเจ้าแต่การนั้นต่อต่อมาก็เถิดเลยพอนางพิกษุีนางโคเ ต, ตมีบวชแล้วนะก็บวชให้ภิกษุนี้อื่นต่อมาอีกพอบวชเข้ามาแล้วภิกษุณีอื่ น, ขาา แ, นแข็งข้อเถิดเลยบอกว่านี่ ภิกษุณีเกษาโคตนางโคตมีเนี่ยไม่มีอุปชาอาจารย์บวชมาด้วยด้วยตนเองเออลังเกียจแท้เนี่ยไม่ลงอุโบสถไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยปุณหะไม่ใช่ธรรมดาเนียแต่ตามที่จริงออกจากใครออกจากนางโคตมีเองนะแต่ลืมลืมกรรมพืชของตัวเองเ อ, อแข็งข้อขอ ง, งานแท้ทิฏฐินะ่ยไม่ใช่ธรรมดานะมากราบทูถพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอ ก, บอกเอ้ยโคตมีเนี่ย เราเองเป็นคนอนุญาตให้คครุ ร, รมแปดประการเราเองให้ทุกอย่างกับกโคตมีเออแล้วก็เขาได้ท่านได้สำเร็จเป็นพระรหานแล้วพวกเธอทั้งหลายท่านทั้งหลายอยากกระด้างกระเดืองนะควรจะให้ความเคารพในออต้นตระกูลหรือพิชชนออีพวกท่านทั้งหลายนั่นะหลวงพ่อได้อ่านได้ศึกษาแล้วหลวงพ่อโอ้โหอทิติ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 ความอดทนของภาษาลิบุตรถึงขนาดไหนเพราะนั้นขอให้พวกเราไม่ถึงขนาดนั้นก็เถอะนะถึงเขาจะด่าว่ากล่าวนิดๆหน่อยๆเสียดๆเสียดสีสสตามตาเหลือกตาเขียวใส่เนี่ย เ, เราก็น่าจะอดทนได้เพราะเรามาปฏิบัติธรรมน ะ, ะไม่ใช่ว่านิดๆหน่อยๆก็โมโหโกธาให้กันจนภาวนาไม่เป็นไม่ไปเพราะความโกรธนะนั่นก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะณวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดสําหรับพวก เราคณะัทธาญาิโยมลูกหลานที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาเนี่ยหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์บัง่งเครื่องศาลาของหลวงพ่อบัง่งเรื่องพระสารีบุตรอพระในครั้งพุทธกาลบ้างเป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราทุกทุกท่านอ่าต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร